Thank mm -hmm. you. มาทําวัดเช้าเนี่ยจากกุฏิที่พักมาหอไตรเนี่ ย, ม, ย, ยมันมืดเราจะเดินมาถึงที่นี่ได้เนี่ยก็ต้องมีไฟฉายไฟฉายมันม น, นําทางเรามาหรือว่าผู้ถือกคือว่าบอกให้เรารู้ว่าทางเนี่ยที่จะมาหอไตรเนี่ยนะที่เราเดินนี่ถูกไหม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 อย่างเช่นเวลาที่เราใจลอยขณะที่ทำวัาสดมนเนี่ยคนที่ท่องได้เนี่ยก็สามารถจะสวดได้ถูกต้องแต่ถ้ที่ตอนนั้นเนี่ยใจลอยคิดหนอยคิดนี่แต่ก็มีบางช่วงบางขณะที่อาจจะสวดผิดก็ได้นะจากพุทธเทเป็นธรรมเมรหรือสังเคนะพุทธโธเป็นสังโคก็มีเนี่ย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 ก็เกิดอุบัติเหตุนะสูญเสียกันเยอะแต่เป็นเพราะว่าแต่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าความเคยชินของเรานะมันก็ทำให้เราเขัขาไปฏิูุต้องมีคนหนึ่งนิ ม, มนต์พร ะ, ะมานั่งมานั่งรถของตนนะเพื่อจะได้ขับไปส่งพระที่วัดขับไปสักพักหนึ่งนยะก็หักซ้ายนะเลี้ยวซ้าย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 ทำบุญเวลาถวายสังฆทานเวลาทอดกระถินทอดพระป่ า, ปาถ้าไม่รู้สึกตัวก็อาจจะเกิดความหงุดหงิดเกิดความขุนเคืองเพราะาคนเยอะทำไมมันเยอะแบบนี้มาเข้าไม่ถึงสถานที่ที่จะหรือจุดที่จะถวายอยากจะถวายอาหารให้หลวงพ่อแต่ว่าคนเยอะมากนะไปไม่ถึง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 เพิ่มผูนขึ้นมาเช่นเกิดความหลงตัวลุดตนว่าจะเป็นคนมีศีลเคร่งครัดนะดูถูกคนอื่นที่เขาไม่มีศีเหมือนเราเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงแล้วนะเพราะว่ากินเหลวเข้ามาครอบงำเพราะนั่นก็พยายามทำเอาสึกตัวอยู่เสมอความสึกตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยุ่มยากนะมันไม่เหมือนการบําเพ็ญฌานนะการจะเข้าถึงฌานเนี่ยยาก จตกการทำความรู้สึกตัวนี้ง่ายเพราะว่าทำได้ทุกที่ทำได้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ทำได้นะอยู่วัดก็ทำได้อยู่บ้านก็ทำได้เพราะว่าไม่ว่าเราทำอะไรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราก็ถ้าเราใจมาอยู่กันเนื้อกับตัวเอาใจใส่ลงไปในสิ่งที่เรากำลังทำา้0เรเเลยเนี่ย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 ซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งกระตุ้นความอยากเยอะมากนะไม่ใช่อยากกินอยากเที่ยวอยากดื่มบางทีก็อยากเสพนะอยากใช้ข่าวสารเทคโนโลยี technology. บางคนก็ติดเกมบางคนก็ติดไลน์ติดเฟซบุ๊กติดสมาร์ทโฟนเนี่ยอันนี้เรียกว่ายุยยวนเย้าวยวนหรือแม่ก็ย่วยุนะยุยยุให้หงุนงิดให้โกรธนะไม่ว่าจะเย้าวยวนหรือว่ายุยยุเนี่ยถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่ก็หลงเมื่อ น, นั้นแหละ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 แค่ทำห้านาทีสิบนาทีนี่มันจะมีผลนั่นเลนะถ้ามันถ้าเราทาทุกวันจะมีผลมากทีเดียวเขาเคยมีการาศึกษาวิจัยเนี่ยนะกับคนที่พยายามควบคุมอาหารควบคุมควบคุมน้าหนักคนที่พยายามลดน้ําหนักตอนนี้เป็นปัญหามากเดี๋ยวนี้อ้วนน้ําหนักเกิน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 แต่คนที่จดแล้วทําสม่ำเสมอเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะลดน้ําหนักได้สําเร็จอันนี้ก็ทําที่เมืองนอกนะที่เมืองไทยก็เหมือนกันนะมีมีมโยมคนหนึ่งแกพยาพยามไปชวนชาวบ้า น, นแถวจังหวัดตราดเนี่ยให้ให้ลดน้ําหนักด้วยการคุมอาหารแล้วก็ออกกาลังกายแล้วทําสมาธิด้วยนะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่แนะนําให้คนทําก็คือ คั้นน้ำมะนากินแกก็ไม่แน่ใจนะว่า้การคั้นน้ำมนาเนี่ยมันช่วยแค่มันช่วยทําให้ลดน้ําหนักได้หรือเปล่าหมายถึงในทางสุขภาพอะนะแต่แกสังเกตพบ ว, ว่าคนที่ลดน้ำคนที่ลดน้ําหนักได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรว้แล้วแต่คั้นน้ำมะนาวเพงนั้นเลยน้ำมะนาเนี่ ย, ยมันจะมีผลต่อสุขภาพเพียงใดนะอันนี้อาจต้องเป็นเรื่องของหมอว่านะมันช่วยลดน้ําหนักได้แค่ไหน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 คนที่ทำนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยนะเขาจะเกิดวิในัยในตัวเองเขาจะเกิดนะกาลังใจหรือกาลังใจที่เข้มแข็งที่มากขึ้นเรื่อยๆและวินัยความตั้งใจกาลังใจที่เข้มแข็งนี่แหละที่มันจะาทาช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถจะคุมอาหารอย่างอื่นๆได้รวมทั้งออกกำลังกายได้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนีย่ยแค่จดบันทึก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 สมาธิก็ไม่ได้หรอกหลวงปู่เห็นก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เลยพูดว่าเนี่ยแกจะกินเหล้าก็เป็นเรื่องของแกนะข่าไม่ว่านะแต่ว่าทาสมาธิให้ฆ่าได้ไหมวันละห้านาทีก็พอชายคนนั้นพอรู้ว่าเนี่ยทาสมาธิแค่นาทีเหล้าก็ไม่ต้องเลิกเอาสิหลวงปู่ท่านก็ฉลาดนะคือท่านพยายามทำให้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 เครดิตการ์ดเนี่ยเป็นว่าเล่นพรากว่านิสัยเปลี่ยนนะการบ้าชอบหรือว่าการใช้เครดิตการ์ดเพื่อซื้อของเนี่ยน้อยลงคนที่ซึมเศร้านะก็มีอาการดีขึ้นที่ตื่นสายก็ตื่นเช้าขึ้นเพราคนทาเขาก็แปลกใจนะว่าทำไมเนี่ยแค่ออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่สุขภาพดีขึ้นอย่างเดียวการใช้ชีวิตดีขึ้นด้วย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 ปีใหม่นี้เนี่ยเราจะทําสิ่งที่ดีดเป็นรางวัลให้กับตัวเองเช่นเราจะเจริญสติทําสมาธิทุกวันไม่ต้องมากนะอาจจะเริ่มต้นที่ห้านาทีก่อนก็ได้หรือบางคนคิดว่าห้าทีมันมันจิบจิบนะอา่าสิบนาทีก็ได้สิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ได้แต่อย่าอย่า อ, อย่าตั้งไว้สูงนะบางคนบอกเนี่ยว่าละสองชั่วโมงคือถ้าตั้งไว้สูงแล้วทําไม่ได้เนี่ยมันสู้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 นิสัยในการมีสติให้รู้ทันความคิดนึกหรือว่านิสัยที่จะพาใจกข้มาอยู่กันเนื้อกับตัวเนี่ยมันไม่ได้สร้างเอาไว้ให้เข้มแข็งนะพอกลับไปใช้ชีดเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เข้าสู่ร่องเดิมเนี่ยฉันพยายามเนี่ยไหนๆมามาอยู่ที่นี่เนี่ยจะ ก, กี่วันก็ตามเนี่ยนิสัยใหม่มาเริ่มก่ะตัวขึ้นละก็คือนิสัยที่ทำอะไรก็รู้สึกตัว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 มีกำหนดเงื่อนไขกับตัวเองบ้างนะว่าอย่างน้อยๆเนียน่ยเราจะปฏิบัติในรูปแบบวันละเท่าไหร่ห้านาทีก็อย่าไปดูถูกนะว่าเล็กน้อยนะขอให้ทำทุกวันก็แล้วกันและสิ่งเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นฐานที่จะพาเราไปทำสิ่งที่ยากสิ่งที่ใหญ่กว่าได้ชาวุิพงศ์ธรนีนนะครับครับ